ในบรรดาทำทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เจริญให้ปฏิบัติให้มากนั้นมีอยู่ทำหนึ่งที่ทรงสอนให้เจริญให้มากที่สุดก่อนที่จะเจริญทำอย่างอื่นได้ทมนี้ก็คือสติเพราะถ้าไม่มีสติ จะไม่สามารถเจริญทมต่างๆได้เลยการไม่มีสตินี้ก็มีหลายลักษณะด้วยกันเช่นเวลานอนหลับ ก, ก็ถือว่าไม่มีสติคนที่นอนหลับตื่นสายจะทำบุญสบาทก็จะทำไม่ได้คนที่ไม่มีสติเพราะ ดื่มสรายาเมาก็จะรักษาศีลงข้อต่างๆไม่ได้คนที่ไม่มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบได้คนที่ไม่มีสติจดจ่ออยู่กับความคิดด้วยเหตุด้วยผล ก็จะไม่สามารถเจริญปัญญาได้นี่แหละคือความสำคัญของสติที่จะเป็นผู้ทำให้ทำขั้นต่างๆปรากฏขึ้นมาได้ตามลำดับตั้งแต่ขั้นต่ำสุดจนถึงขั้นสูงสุดตั้งแต่ขั้นทำทานรักษาศีล บำเพ็ญส ม, มะถะภาวนาคือการเจริญสมาธิและบำเพ็ญวิปัสนาภาวนาคือการเจริญปัญญาต้องมีสติอยู่เป็นสติเป็นผู้กากับทั้งหมดสติจึงเป็นธรรมที่สำคัญอย่างมากถ้าเป็นการปรุงอาหาร อาหารนี้ก็ต้องมีเกลือหรือมีความเค็มอยู่ถึงจะมีรสมีชาติที่จะรับประทานกันได้ถ้าไม่มีความเค็มไม่มีเกลือผสมเข้าไปในอาหารอาหารก็จะไม่น่ารับประทานสตินี้ทรงเปรียบเทียบเหมือนกับ รอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดในป่านี่คือความสำคัญของสติผู้ที่ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงควรให้ความสำคัญ ต่อการเจริญสติเป็นอย่างมากอย่าปล่อยให้การกระทำอย่างอื่นมาทำลายสติเช่นอยากจะใส่บาตรตอนเช้าก็ต้องนอนแต่หัวค่ำอย่านอนดึกการที่จะนอนดึกก็เพราะชอบทำสิ่งต่างๆ ในยามค่ำคืนภาพหาความสุขทางตาหูจมูกยิ้งกายเช่นดูภาพยนตร์ดูละครหรือใบงานเลี้ยงต่างๆดื่มสุรายาเมาอะไรต่างๆเหล่านี้กิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ไม่สามารถตื่นเช้า ขึ้นมาทำบุญใส่บาตรได้ถ้าอยากจะใส่บาตรก็ต้องตัดกิจกรรมต่างๆที่จะมาทำให้ไม่สามารถตื่นขึ้นมาตอนเช้าได้นี่คือการ <c oughs> เสริมสร้างสติหรือรักษาสติด้วยการกําจัด สัตรูของสติเวลาที่จะรักษาศีลเช่นศีลห้าก็ส่งสอนให้ละการเสพสุรายาเมาเพราะการดื่มสุรายาเมาจะทำให้ขาดสติเมื่อไม่มีสติเวลาคิดจะทำบาปก็จะไม่รู้ไม่รู้สึกตัว จะไม่มีสติคอยยับยั้งไว้การรักษาศีลห้าจะได้หรือไม่ได้นี้ก็ขึ้นอยู่การรักษาศีลข้อที่5ก่อนคือการเสพสุรายาเมาถ้าเสพสุรายาเมาละไม่ได้ก็จะไม่มีสติไว้คอยยับยั้งการกระทา การผิดศีลอีกทั้งสี่ข้อคนที่จะทำบาปบางทีต้องดื่มสุราไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่มีความรู้สึกกลัวบาปหรือละอายในการกระทำบาปแต่ผู้ที่ไม่มึนเมามีสติครบบริบูรณ์เวลาจะทำบาปนี้จะมีความรู้สึกละอาย จะมีความกลัวต่อการกระทำบาปก็จะไม่กระทำบาปจะสามารถรักษาศีลได้ไม่ว่าจะเป็นศีลห้าหรือศีลแปดศีลห้านี้ก็เป็นศีลของระดับนักบุญออคือผู้ที่ยังทำการ สร้างสร้างขุศลสร้างสร้างบุญด้วยการทาทานด้วยการรักษาศีลเป็นบุญระดับต่าคือเป็นบุญระดับมนุษย์และเทวดาผู้ที่ต้องการที่จะสร้างบุญระดับสูงกว่าระดับของมนุษย์และเทวดาคือระดับพรหม และระดับของพระอริยเจ้าต้องมีสติเข้มข้นกว่าสติที่จะมีไว้กับการทําทานกับการรักษาศีลห้าก็คือต้องมีสติพอที่จะรักษาศีลแปดได้เพราะถ้ารักษาศีลแปดไม่ได้จะไม่มีกําลังที่จะ มีสติไว้ในการทําใจให้สงบทําใจให้เป็นสมาธิผู้ที่จะทําใจให้สงบทําใจให้เป็นพรหมได้จะต้องมีสติพอที่จะรักษาสีนแปได้มีสติที่จะยับยั้งความคิดที่อยากจะ ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นคือสีนข้อสมในสีนแปก็จะเปลี่ยนไปจากากาเมสุวิชาจาราเวรมณีมาเป็นอพปปรมจารายาเวรมณีคือถ้ามีสีนห้าถ้ารักษาสีนห้าก็ยังสามารถที่จะร่วมหลับนอนกับผู้อื่นได้ แต่ถ้าถือศีลแปดเพต้องการที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นพัฒนาความสุขของใจให้มากขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องละความสุขทางร่างกายไปก็คือการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นถ้าไม่มีสติที่มีกำลังพอก็จะไม่สามารถยับยั้งความคิด ความอยากในการที่อยากจะร่วมหลับนอนกับผู้อื่นได้แล้วก็ต้องมีสติยับยัง้งความคิดความอยากรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบเขตแบบไม่มีเหตุไม่มีผลการรับประทานาหารที่เป็นเหตุเป็นผลก็คือรับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ เป็นกับเป็นการเติมน้ำมันให้กับรถยนต์การเติมน้ำมันให้กับรถยนต์นี้เรามักจะเติมกันทีเดียวให้เต็มถังเลยแต่เวลาเราเติมอาหารให้กับร่างกายเรากลับแบ่งไว้เป็น 3-4 สี่ช่วงด้วยกันแทนที่จะเติมทีเดียวให้มันเต็มไปเลยให้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย เราก็เติมหลายๆครั้งด้วยกันเติมมากเกินความต้องการของร่างไปของร่างกายไปเสียด้วยซ้ำทำให้ร่างกายนั้นมีน้ำหนักเกินทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับทางสุขภาพตามมาเพราะไม่มีสติที่จะคอยควบคุมคอยหยุดความอยาก หาความสุขจากการรับประทานอาหารและขนมนมเนยต่างๆผู้ที่ย้ำรักษาศีลข้อหกได้จึงต้องมีสติที่มีกำลังพอที่จะยับยั้งการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็ต้องมีสติที่จะ ยับยังการหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกวิ้นกายถ้าไม่มีก็อยากจะเกิดความอยากออกไปเที่ยวอยากออกไปหาความสุขกับรูปเสียงกลิก่นรสผดพพะชนิดต่างๆถ้ามีสติคอยควบคุมใจคอยควบคุมความคิด ก็จะยับยั้งไม่ให้ไปหาความสุขทางรูปเสียงกิริลดผลตภะได้แล้วก็ต้องมีสติที่จะตื่นขึ้นมาหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อเพียงแล้วปกติการพักผ่อนของร่างกายนี้ก็อยู่ในประมาณ4ี่ห้าชั่วโมง ก็พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายแต่ถ้าไม่มีสติเวลาร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่แล้วพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็กลับไปนอนต่อไหม่เพราะไม่มีสติพอที่จะลุกขึ้นมาเพื่อมาเจริญสมถะภาวนาเกิดลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมมาทำใจให้สงบ เพื่อที่จะได้พัฒนาความสุขของใจให้มีเพิ่มมากขึ้นคือความสุขที่ได้จากความสงบใจจะสงบได้หรือไม่สงบก็ขึ้นอยู่กับสตินี้ถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อยไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่ คิอยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียวเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ปล่อยให้ใจอยู่ห่างจากร่างกายหรืออยู่ห่างจากการบริกรรมพุทโธพุทโธถ้ามีสติสามารถควบคุมใจให้อยู่ กับอารมณ์เดียวได้ใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายและถ้านั่งเฉยๆปิดทวานคือทางปิดตาหูจมูกลิ้นกายได้ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้จิตรวมตัวสักแต่ว่ารู้ อยู่กับความว่างอยู่กับอุเบกขาความเฉยไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆนี่คือสติที่มีความจำเป็นต่อการเจริญสัม ม, ม า, าัภาวนาต่อการทำใจให้สงบการปฏิบัติธรรมนี้ ถ้าใจไม่สงบแล้วจะไม่มีกําลังใจที่จะปฏิบัติเหมือนกับคนที่ทํางานแต่ไม่ได้รับประธานอาหารไม่ได้พักผ่อนหลับนอนจะไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่จะทํางานทําการเวลาทํางานเราจึงต้องมีเวลาพักผ่อนเราไม่ได้ทํางานตลอดยีิบสี่ชั่วโมง เจ็ดวันต่ออาทิตย์เราทำงานวันละแปชั่วโมงแล้วทำอาทิตย์ละห้าวันเพื่อจะได้มีเวลาพักผ่อนเติมกำลังให้แก่ร่างกายฉะน้นการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องมีการพักผ่อนหลับนอนของใจ ก็คือการเข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบนี้ก็จะได้พบกับความสุขได้พบกับความอิ่มได้พบกับความพอที่จะทำให้มีกำลังในการที่จะทำงานขั้นต่อไปก็คือขั้นปัญญาหรือขั้นวิปัสสนาภาวนา ต้องใช้สติควบคุมความคิดให้คิดด้วยเหตุด้วยผลให้คิดด้วยตามหลักความเป็นจริงหลักความเป็นจริงก็หลักเหตุหลักผลนี่เองเช่นพระอริยาาสัจสี่นี้ก็เป็นหลักของความจริงทุกสมุทยัยนิโรธมรรคทุกก็คือความทุกข์ใจ สมุทัยก็คือต้อนเหตุของความทุกข์ใจเวลาใจไม่สบายใจทุกนี้เกิดเกิดจากอะไรก็เกิดจากสมุทัยสมุทัยมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้มีอยู่สามคือมี k a ม m a t a า h ว paramatathā v i p a า a m a t a t h ā karma t a h ก็คือความอยาก ในรูปเสียงกิริยลดโพธภะภาวะตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นนั้นอยากจะเป็นนี่อยากจะมีนั่นอยากจะมีนี่และวิภาวะตัณหาคือความอยากไม่มีนั่นอยากไม่มีนี่เช่นอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่แก่ อยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่ประชนประเชิญกับความทุกข์ยากลาบากต่างๆความอยากเหล่านี้ถ้ามีเกิดขึ้นเวลาใดเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าไม่มีสติคอยสอนใจคอยควบคุมใจให้คิดด้วยเหตุด้วยผลก็จะ ไม่สามารถเข้าถึงหลักความจริงของความสุขของความทุกข์ได้แลวการที่จะพิจารณาหลักความจริงของของอริยสัจสีได้นี่ก็ต้องมีใจที่สงบเพราะใจนี้เป็นที่ศึกษาพระอริยสัจสี่ เวลาใจไม่สงบใจวุ่นวายนี้จะไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะสามารถมองเห็นความทุกข์ใจได้จะไม่สามารถเห็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจคือตัณหาทั้งสามได้และจะไม่เห็นเหตุ ที่จะระงับความทุกข์ใจระงับต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจก็คือตัณหาทั้งสามนี้ได้เหตุที่จะทำให้ละตัณหาทั้งสามนี้ได้ก็คือมรรคมรรคที่สำคัญที่สุดก็คือปัญญาควบคู่กับสติ ต้องมีสติเห็นโทษของความอยากเวลาจิตสงบนี้จะไม่มีความอยากจิตใจเย็นจะสบายพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาความสงบความสบายใจนี้จะหายไปถ้ามีสติดูใจหลังจากที่ได้สมาธิได้ความสงบแล้ว คอยสังเกตดูใจอยู่เรื่อยๆดูการเปลี่ยนแปลงของใจว่าสงบหรือไม่สงบเวลาสงบมีความอยากหรือไม่มีความอยากเวลาไม่สงบมีความอยากหรือไม่มีความอยากก็จะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกครั้งที่เกิดความอยาก ความสงบความสบายใจเบาเบาใจก็จะหายไปความวิตกกังวลความก <c oughs> วนกวายากระสับกระสายของใจก็เกิดขึ้นเวลาที่เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วถ้าต้องการที่จะดับความไม่สบายใจความทุกข์ใจก็ต้องดับ โดยการละความอยากถ้าอยากกับเรื่องใดสิ่งใดก็ต้องไปพิจารณาเรื่องนั้นหรือสิ่งนั้นเพื่อให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เราไปอยากไม่ได้อยากแล้วก็จะไม่ได้ดังใจอยากเช่นเรามีความไม่สบายใจกับการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือกับการตาย ถ้าเราพิจารณาร่างกายเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ย่อมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามไม่มีใครหนีพ้นความแก่พ้นความเจ็บพ้นความตายไปได้เพราะร่างกายเป็นอนิจจงร่างกายเป็นอนัตตา คือไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดบังคับให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ถ้าเราไม่เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่เห็นอนัตตาคือการที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับ ไปสั่งไปห้ามไม่ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เราก็จะเกิดตัณหาความอยากเพราะอะไรที่เป็นที่เราคิดว่าเป็นของเราเราก็อยากจะให้อยู่กับเราเป็นนานๆอยากจะให้ดีไปนานๆนเช่นร่างกายก็อยากจะให้สมบูรณ์แข็งแรงไปนานๆนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตาย เวลาที่เราเข้ากระชั้นชิดกับความความความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความตายใจของเราก็จะเกิดตัณหาความอยากอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราจเจริญปัญญาพิจารณาความจริงของร่างกายอยู่เรื่อย จะนาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมมีความแก่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความตายมาตามลำดับไม่มีใครหลีกเลี่ยงหรือหนีจากความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะไม่สามารถที่จะไปยับยั้งไปสั่งให้ร่างกาย ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ถ้าเห็นความจริงอันนี้ก็จะไม่ฝืนจะไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไม่ฝืนไม่อยากก็ดับความทุกข์ใจได้ละความอยากได้ด้วยปัญญาด้วยความจริงด้วยความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย การที่เราจะสามารถพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หลงไม่ลืมเราก็ต้องมีสติที่มีกำลังมากที่จะคอยควบคุมบังคับความคิดปรุงแต่งให้คิดอยู่กับความจริงของร่างกายถ้าสติไม่มีกำลังมากพอก็จะสู้ความคิดปรุงแต่งของกิเลสตัตาหาไม่ได้ ที่จะหลอกให้คิดว่าร่างกายนี้จะอยู่ไปนานๆจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคือจะไม่ได้คิดเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายจะไปคิดกับเรื่องของการหาความสุขด้วยตัณหาทั้ง3คือการวาตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหา พอเวลาที่ต้องมาสัมผัสรับรู้กับความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่สามารถยับยั้งความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้แต่ถ้าได้มีสติคอยสอนใจให้คิดอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่ตลอดเวลา อย่างที่พระเจ้าทรงตัดว่าให้พิจารณาอยู่เนืองๆ อ, อยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายถ้ามีความคิดอย่างนี้อยู่ภายในใจอยู่คู่กับใจไปตลอดเวลาเวลาคิดอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรนี่มันจะหดมันจะไม่อยากทำ พอไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรทำไปไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทำถ้าเป็นท้าตายก็ไม่ได้อะไรได้ความสนุกสนานความเพลิดเพลินได้ความสุขชั่วประเดียวประดาแต่ไม่เคยได้ความอิ่มความพอก็จะมีแต่ความอยากอยู่เรื่อยๆอยากเท่าไหร่ก็ไม่พอ เวลาอยากแต่และครั้งก็ต้องเหน็ดเหนื่อยต่อการที่จะต้องไปกระทำตามความอยาก <c oughs> <c oughs> นี่คือเรื่องของสติที่มีความจำเป็นต่อการเจริญธรรมทุกขั้นตอนต้องมีสติอยู่คู่กับใจเสมอดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรมองข้ามสติไป ไม่ว่าจะปฏิบัติทำขั้นไหนก็ตามถ้าไม่มีสติแล้วทำขั้นนั้นจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เน้นพยายามเจริญสติกันอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นจนหลับให้มีสติและเล็กรู้อยู่กับเรื่มเดียวอารมณ์เดียวเช่นการบริกรรมพุโทโธพุโทโธหรืออยู่กับ การเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายให้จดจอ่อเฝ้าดูการกระทําของร่างกายทุกขณะจิตเลยเช่นเวลารับประทานอาหารถ้าสตินี้ละเอียดมากก็จะดูตั้งแต่การตักอาหารใส่เข้าไปในปากเอาช้อนออกมาขบเคี้ยวอาหารกลือนอาหารเข้าไป จะมีสติรับรู้อยู่ทุกขณะจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อย่างนี้ถึงเรียกว่ามีสติถ้าสติหล้วมๆก็คือหลักอาหารเข้าปากแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปล่อยให้ปากเคี้ยวอาหารกืนอาหารเข้าไปโดยไม่ได้ติดตามการ ขั้นตอนของการขบเคี้ยวกับการกืนอาหารเข้าไปในร่างกายนี่คือเรื่องของการเจริญสติถ้ามีสติก็จะไม่มีความคิดปรุงแต่งที่จะทำให้เกิดตันหาความอยากเกิดความโลภเกิดความโกรธต่างๆขึ้นมาใจก็จะเย็นจะสบาย จะมีความสุขกับการปฏิบัติถ้าไม่มีสติแล้วมีแต่ความอยากได้ผลเวลาไม่ได้ผลก็จะเกิดความเครียดเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแล้วพอเกิดความเครียดเกิดความทุกข์แทนที่จะกลับมาตั้งสติก็กลับคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาต่อไปอีก ก็เลยทาให้ยิ่งเกิดความพุ้งซ้านเพิ่มขึ้นมากไปเรื่อยๆจนไม่อยากจะปฏิบัติดังนั้นขอให้เราเตือนใจเสมอว่าสตินี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรจะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมือจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม จะเจริญปัญญาหรือไม่เราก็ต้องมีสติไม่ว่าเราจะทำภารกิจที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติเราก็ต้องมีสติถ้าเรามีสติก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติทำแล้วเพียงแต่ว่ายังเป็นการปฏิบัตินอกรอบอยู่คื อ, อยังไม่ได้เข้าสู่แกนของการปฏิบัติแต่อย่างน้อยเราก็ ได้ประครับประคองได้สร้างเครื่องมือที่เราจะต้องเอาไปใช้กับการปฏิบัติต่อไปเช่นเวลาเราทําภารกิจการงานต่างๆก็ขอให้เราพยายามทําด้วยสติให้จิตใจของเราอยู่กับภารกิจการงานเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ไปคิด เรื่องนั้นเรื่องนี้หรืออย่าไปคุยกันอย่าไปสนทนากันบางทีก็ทำงานไปแล้วก็สนทนากันไปด้วย <c oughs> อย่างนี้เรียกว่าเป็นลักษณะของผู้ไม่เจริญสติของผู้เจริญสตินี้จะจดจ่ออยู่กับการงานอย่างเดียวถ้าจำเป็นจะต้องพูดต้องคุยก็หยุดการทำงาน แล้วก็หันเอาส ต, ติมาอยู่กับการพูดการคุยพอพูดคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> หยุดพูดหยุดคุยแล้วก็กลับมามีสติตอยู่กับการทำภารกิจการงานต่อไปถ้าเราสามารถจเจริญส ต, ติได้อย่างต่อเนื่องเราจะมีกําลังที่จะควบคุมความคิดฟรุงแต่ง ที่จะคอยขัดขวางไม่ให้ใจเข้าสู่ความสงบพอเรากําจัดความคิดปรุงแต่งความฟุ้งซ่านได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายเพียงแต่บริกรรมพุทโธไปหนาทีสิบนาทีใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ถ้านั่งสมาธิไปแล้วไม่สามารถ จดจ่ออยู่กับการบริกรรมเพลงอย่างเดียวได้ใจแวบไปหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้ก็อย่าตามไปอย่าไปสนใจพยายามดึงใจให้มาอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างเดียวไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับ ก, บการบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไป จนกว่าจิตจะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความนิ่งเข้าสู่ความเงียบเข้าสู่ความเย็นความสบายเข้าสู่ความว่างเข้าสู่อุเบกขาเข้าสู่ตัวรู้คือผู้รู้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นถึงจะหยุดภาวนาได้และเมื่อเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วก็ให้ใช้สติคอยประครับประคองให้อยู่ในนั้น อย่าปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งดึงออกมาก่อนที่เวลาอันควรบางทีเข้าไปใหม่ๆรู้สึกดีอกดีใจตื่นเต้นตกใจเข้าไปวุบเดียวแล้วก็ถอนออกมาถ้ามีสติก็คอยประครับประคองไว้ให้รู้ว่าขณะนี้จิตเราวุบเข้าไปแล้วสงบแล้วเนื่งแล้ว ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจดีอกดีใจให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้เฉยๆไปประครับประคองให้รู้ให้นิ่งให้สงบไปให้นานที่สุดเท่าที่จะงานนานได้หรือถ้าออกมาถ้าอยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็บริกรรมพุทธโธใหม่ทำทำไปใหม่เดี๋ยวก็จะกลับเข้าไปได้ใหม่ เราต้องการให้จิตอยู่ในความสงบให้นานที่สุดให้มกให้นานมากๆเพราะอยู่ได้นานมากเท่าไหร่ความเป็นอุเบกขาก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้นอุเบกขาก็คือการไม่มีอารมณ์ตอบโต้ตกับสิ่งต่างๆที่มาให้ใจสัมผัสรับรู้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสพุสธพะชนิดต่างๆ ผู้ที่มีอุเบกขาเวลาเห็นอะไรจะไม่มีอารมณ์ดีใจหรือเสียใจกับสิ่งที่ได้รับรู้รับเห็นจะรู้เฉยๆจะไม่มีความอยากได้หรืออยากหนีจากสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นจะรับรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไม่สะทกสะทานถ้ามีอุเบกขาแบบนี้ ใจจะมีกำลังไวต่อสู้เวลาที่กิเลสตัณหาปรากฏขึ้นมาเวลาเกิดความอยากเกิดอารมณ์รักอารมณ์ชางขึ้นมาก็ใช้ปัญญาก็ไปพิจารณาสิ่งที่รักที่ชางว่าเป็นสิ่งที่เราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ไปจัดการกับเขาไม่ได้เขาจะดีเขาจะชั่วมันก็เป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องไปวุ่นวายไปกับเขาเพราะความวุ่นวายของใจนี้ไม่ดีเป็นความทุกข์ใจความวางเฉยของใจนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้ใจสงบทาให้ใจเย็นใจสบายใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเราต้องพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นหรือเรารับรู้นี้ มันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้ามันจะต้องจากเราไปก็ปล่อยมันจากไปเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วถ้าเขาไม่จากเราเราก็ต้องจากเขาไปเพราะเราอยู่ในโลกของการพัดผาาจากกันเป็นธรรมดาแล้วนี่ของทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่ร่างกายของเราไปนี้เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นร่างกายของเราเป็นของชั่วคราว ร่างกายของผู้อื่นก็เป็นของชั่วคราวทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆของพวกเราก็เป็นของชั่วคราวของผู้อื่นก็เป็นของชั่วคราวไม่มีใครที่จะเอาติดตัวไปได้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปนั้นที่จะมาวุ่นวายกับการดูแลรักษาปกป้องต่อสู้ฆ่าฟันกัน นี้ก็เป็นการกระทําที่ไม่ถูกเพราะเป็นการสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับตนไปเปล่าๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคนที่ต่อสู้กันฆ่าฟันกันก็เอาอะไรไปไม่ได้คนที่ไม่ต่อสู้ไม่ฆ่าฟันก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่คนที่ต่อสู้นี้ก็มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจไปตลอด ส่วนคนที่ไม่ต่อสู้ก็จะไม่มีความความวุ่นวายใจอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายอะไรจะมาก็ปล่อยให้มาอะไรจะไปก็ปล่อยให้ไปถ้าไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำอะไรได้แต่ยังอยู่ในวิสัยที่พอจะทำอะไรได้ก็ทำไปและจะทำด้วยใจที่เป็นอุเบกขาคือไม่ทุกข์ร้อนไม่วุ่นวายใจ ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเช่นเวลารักษาร่างกายรักษาได้ก็ดีรักษาไม่ได้ก็ดีไม่หายก็ดีหายก็ดีอยู่ต่อไปได้ก็ดีอยู่ต่อไปไม่ได้ก็ดีไม่สำคัญอะไรเพราะในที่สุดมันก็อยู่ต่อไปไม่ได้อยู่ดีนั่นเองนี่คือใจที่มีอุเบกขา แล้วถ้าใช้ปัญญามาสอนใจให้คิดในแนวนี้ใจก็จะรักษาอุเบกขาไว้ต่อไปได้จะไม่ไปทำตามความอยากต่างๆเมื่อเห็นว่าการกระทำความอยากตามความอยากจะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจตามมาก็จะปล่อยมันไปปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันนี่แหละคือการปฏิบัต เพื่อดับความทุกข์ดับความวุ่นวายใจต่างๆต้องเกิดจากการมีสติเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นสติที่ใช้สำหรับการทำบุญทำทานหรือสติที่ใช้ในการรักษาศีลระดับต่างๆศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ต้องมีสติถึงจะสามารถ รักษาสิน ต, ต่างๆได้แล้วก็ต้องมีสติเพื่อมาควบคุมความคิดไม่ให้คิดฟุง้งซ่านไม่ให้คิดรื่ยเปื่อยให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวไปนานๆเพื่อจะได้ทำให้ใจเย็นใจว่างใจสบายและใจรวมเข้าสู่ความสงบได้ต่อไปพอได้ความสงบแล้วก็เวลา ตอนต้นก็รักษาความสงบสร้างความสงบให้แน่นหนาให้มีมากๆเหมือนกับการสะสมเงินทองก่อนที่จะเอาเงินทองไปลงทุนค้าขายตอนต้นก็ต้องหาเงินมาให้ได้เป็นก้อนใหญ่ก่อนพอได้เงินก้อนใหญ่แล้วก็เอาเงินก้อนใหญ่นี้ไปลงทุนเพื่อจะได้ขยาย ทุนให้มีมากเพิ่มขึ้นไปสมาธิก็เหมือนกันตอนที่ได้ใหม่ๆนี้ยังมีน้อยอยู่มีอุเบกขาน้อยควรหมั่นเจริญสมาธิไปให้มากๆก่อนให้มีสมาธิได้ทั้งวันเดินยืนนั่งนอนใจมีความสงบอยู่ได้ในทั้งอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาเข้าไปในสมาธิ เวลานั่งหลับตาในท่าขัดสมาธิเท่านั้นถ้ามีสมาธิมากๆเวลาออกจากสมาธิมาความสงบความเป็นอุเบกขาก็ยังมีอยู่พอเรามีในระดับนี้แล้วเราก็ถึงจะออกมาพิจารณาทางปัญญาพิจารณาก็ทำได้สองลักษณะ เวลาที่ยังไม่เกิดตัณหายังไม่เกิดกิเลสก็พิจารณาเผื่อทาการบ้านไว้ก่อนเวลาที่เกิดกิเลสเวลาที่เกิดตัณหาก็ถือว่าเป็นการเข้าห้องสอบก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันถ้าทำการบ้านไว้ก่อนโอกาสที่จะทำให้ข้อสอบผ่านมันก็มีมากจะสอบผ่านได้ง่ายกว่าการที่ไม่ได้ทำการบ้านมาก่อน แต่ถ้าไม่ได้ทำการบ้านแต่เมื่อถึงเวลาจะต้องเข้าห้องสอบก็ต้องทำข้อสอบไปก็มีโอกาสที่จะทำได้ถ้ามีความรู้ความฉลาดถ้าเข้าใจหลักของตายลักพิจารณาตายลักเป็นก็จะสามารถที่จะทำข้อสอบได้เหมือนกันแต่ถ้ายังไม่มีข้อสอบมาให้ทำก็ให้ทำการบ้านเตรียมตัวไว้ก่อน เป็นพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายไปเรื่อยๆก่อนซ้อมตายซ้อมแก่ซ้อมเจ็บไว้ก่อนถามตัวเองว่าพร้อมที่จะแกะห่หรือยังพร้อมที่จะตายหรื อ, อยังพร้อมที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรื อ, อยังถ้ายัางไม่พร้มอมยังกลัวก็ต้องสอนใจไปบังคับใจให้รับความจริงอันนี้ให้ได้เพราะถ้าไม่อยากจะทุกข์ต้องไม่กลัวความแก่ไม่ต้องกลัวความเจ็บไม่ต้องกลัวความตาย เพราะความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่เป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ต่างหากนี่คือตัวที่เราต้องฆ่าให้ได้คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายจะฆ่าได้ก็ต้องเห็นตายลักษ์เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาของร่างกายอย่างต่อเนื่องเห็นตลอดเวลา แล้วก็จะได้ค่าความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ก็จะไม่มีความทุกข์ความทุกข์ก็จะหายไป <c oughs> พอเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่เดือดร้อนไม่หวาดกลัวแต่ถ้าไม่ได้ทำการบ้านไม่ได้ทดสอบจิตใจไว้ก่อนเวลาไปเจอของจริงเข้าจะทำข้อสอบไม่ได้ ใจนี้จะหมดกำลังใจไป ท, ทันทีจะไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำอะไรต่อไปอยู่ไม่ได้อยู่ก็ทุกเดี๋ยวก็ตายก็ทุกอีกไม่รู้จะทำอย่างไรทำใจไม่เป็นทำใจให้สงบไม่ได้นี่แหละคือเรื่องของการเจริญสติที่มีความจำเป็นสําคัญต่อทำทุกขั้นทุกตอน ดังนั้นขอให้พวกเราจงให้ความสำคัญสติเป็นอันดับแรกพยายามเจริญสติพยายามรักษาสติพยายามป้องกันไม่ให้สิ่งต่างๆมาทำลายสติที่มีอยู่แล้วและพยายามเจริญสติที่ยังไม่มีให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับแล้วผลที่เราต้องการคือมรซีผลสี นิพพานหนึ่งจะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนเพราะผลนี้เกิดจากเหตุไม่ได้เกิดจากการอยากได้ผลการอยากได้ผลนี้อยากไปอีกร้อยชาติพันชาติก็จะไม่ได้ผลเพราะความอยากได้ผลไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้ได้ผลผลเกิดจากการมีสติที่จะใช้ควบคุมใจ ให้เจริญคุณธรรมที่จะทำให้เกิดมรรคสีผลสีขึ้นมานี้นั่นเองก็คือเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญามีศีลมีทานมรรคสีผลสีก็จะต้องปรากฏขึ้นมาเหมือนกับต้นไม้ที่เจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะมีการรดน้ำ สวนดินอยู่อย่างสม่ำเสมอและมีการกําจัดวัชพืชแล ะ, มะแมลงสว์ต่างๆที่จะมาคอยทำลายต้นไม้ต้นไม้ก็จเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับจนกลายเป็นไม้ใหญ่ออกดอกออกผลตามลาดับต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการจเจริญสติที่เป็นธรรมสำคัญที่สูงสุดนี้ที่สำคัญอย่างยิ่งนี้ ให้ท่านได้เอาไปพินิพจานาและปฏิบัติเพื่อผลอันเลิศที่พวกเราทั้งหลายปรารถนากันที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยาบทาวเาริวหาภูรา ปาริปุเรหิติสาคาร์งเอวามีวาอิโตตินางเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปัติตังตุมหังคิดว่าเมวาสมิจตุซาเพปุเรหิตุสังกะปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพีติโยวิวัาจันตุ สัพพะโรคโควินัสตุมาเตภวตวันตารายโยสุขีทีขายุโกภะอะพิวาธนสีลิสนิจังวุธาปจายโนยตาโรธรมมะาวะทานติอายุวันโนสุขังพาลาง ลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาท่านผู้ใดยอยากจะถามปามัญหาก็เชิญขึ้นมาถามที่ข้มลนี้ผ่านทางไมโครโฟนเพื่อผู้อื่นจะได้ยินคำถามด้วยคถามนะครับครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับ คำถามข้อแรกจากคุณกล้องนะครับกระผมปฏิบัติมาหนึ่งปีโดยใช้พุโทโธเวลาทำงานก็เอาไปด้วยหลวงตามหาบัวท่านพูดไว้ว่าให้ทำทำงานอยู่เสมอตอนนี้จิตกระผมรวมได้แล้วแต่ก็เกิดเวทนาที่ขาดตลอดเลยยิ่งจิตละเอียดมากเวทนาก็มากเช่นกัน เราจะมีวิธีลดเวทนาได้บ้างไหมคือเวทนานี้ความจริงมันมีเขามันไม่ว่าจิตจะละเอียดหรือไม่ละเอียดเวทนามันก็เป็น อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาที่จิตจะต้องสัมผัสรับรู้เวทนาก็มีอยู่สามส่วนด้วยกันคือสุขเวทนาทุกขเวทนา และไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเป็นเหมือนกับตัวละครบนบนเวทีที่มันผลัดกันออกมาแสดงเราเป็นเหมือนคนดูเราก็ดูมันไปส่วนใหญ่เราจะชอบดูแต่สุ ข, ขเวทนาพอทุกขเวทนาโผล่ขึ้นมาเราก็อยากจะให้มันไปหายไปเร็วๆความอยากให้มันหายนี่แหละที่ทำให้เราเกิดความทุกขใจขึ้นมา ถ้าเราถ้าเรามีปัญญาเราต้องยอมรับความจริงว่าเขาเป็นอย่างนี้เวทนาเขาผัดกันแสดงตัวเดี๋ยวตัวสุขเวทนาก็โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวตัวทุกขเวทนาก็โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวตัวไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็โผล่ขึ้นมาทั้งสามตัวก็ความจริงก็เป็นตัวแสดงเหมือนกันคนดูก็ไม่ได้ไปมีอะไร เปลี่ยนแปลงไปจากการได้ดูตัวสุขขเวทนาตัวทุกขเวทนาหรือตัวไม่สุขไม่ทุกขเวทนาแต่อย่างใดแต่คนดูไปหลงไปคิดว่าเวลาสุขขเวทนาโผล่ขึ้นมาแล้วคนดูนี่สุขไปด้วยแล้วเวลาทุกขเวทนาโผล่ขึ้นมาคนดูก็ทุกไปด้วยความจริงไม่ใช่ถ้าเป็นความจริงแล้วคนดูก็ส่วนคนดู คนแสดงก็ส่วนคนแสดงแต่คนดูเป็นคนหลงไปหลงสุขกับสุขเวทนาไปหลงทุกข์กับทุกขเวทนาพอปรากฏทุกขเวทนาขึ้นมาก็รับไม่ได้ทนไม่ได้อยากจะให้มันหายมันก็เลยเกิดความทุกซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือทุกในอยริยสัต ส, สีทุกใจทุกในใจที่ทนไม่ได้ก็คือความทุกขใจ ที่ทนได้ก็คือความทุกขเขเวทางร่างกายคือทุกขเวทนาถ้าฝึกใจทําใจให้เป็นอุเบกขาได้เวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาใจก็จะเฉยเหมือนกับเวลาที่เกิดสุ ข, ขเวทนาหรือเกิดไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นมาดังนั้นถ้าถ้าใจยังทุกขอยู่กับทุกขเวทนาก็แสดงว่าใจยังไม่รวมจริงยังไม่มีอุเบกขาจริง ถ้ามีอุเบกขาจริงแล้วจะไม่ค่อยทุกข์กับเวทนาชนิดต่างๆไม่ว่าจะสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็จะมีคุณค่าเท่ากันมีน้ำหนักเท่ากันสำหรับใจที่มีอุเบกขาแต่ใจที่ไม่มีอุเบกขานี้จะมีตัณหาความอยากกับความไม่อยากพอมีสุขเวทนาก็เกิดความอยากให้สุขเวทนาอยู่ไปนา น, าน ก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วเพียงแต่คิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องหมดไปหรือพอเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็เกิดความอยากให้มันหายไปพอมันไม่หายก็เกิดความทุกขใจขึ้นมาดังนั้นผู้ที่จะต้องการที่จะ <c oughs> ไม่มีปัญหากับทุกขเวทนาหรือสุ ข, ขเวทนาหรือทุกขไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็คือ ต้องมีอุเบกขาแล้วก็ต้องมีปัญญาสอนให้ใจรู้ว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาเป็นอนัตตาเราไปจัดการเขาไม่ได้ไปเรียงนันดับให้ให้มีแต่สุขเวทนาอย่างเดียวไม่ได้ห้ามไม่ให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาไม่ได้เราต้องปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติฝนจะตกก็ปล่อยมันตกไปแดดจะออกก็ปล่อยมันออกไป ถ้าเราไม่ไปมีความอยากกับเขาแล้วเราจะไม่มีความวุ่นวายใจไปกับเขานี่คือการพิจารณาเวทนาเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปทําลายเขาไม่ได้เราอยากจะให้ทุกขเวทนาหายไปนี่ก็ต้องรอเวลาตายเท่านั้นถ้าตายแล้วถ้าไม่มีขันแล้วนี่ก็ทุกขเวทนาก็จะไม่มีเพราะทุกขเวทนาก็เป็นขันนามขัน พระเจ้าจึงบอกว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าไม่อยากจะไมทุกขเวทนาก็อยา่าไปมีร่างกายเพราะร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของทุกขเวทนาคำถามข้อต่อไปจากคุณอัมภัยนะครับเริ่มปฏิบัติโดยฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์ผ่านทางเสียงทุกวันและไปสวดมนต์ทวัดเย็นที่วัดใกล้บ้าน ที่มีพระอาจารย์สอนภาวนาตามแบบอย่างพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตไม่ได้มีโอกาสศึกษาอ่านหนังสือธรรมะมากมายเวลาได้ยินผู้คนที่มาปฏิบัติพูดถึงการบรรลุในแต่ละขั้นละขั้นขั้นตอนในการเจริญภาวนาต่างๆรู้สึกว่าเราขาดความรู้แต่ในแต่และ ว, วันพยายามมีสติเวลาคิดเรื่องที่ทาให้ทุกข์ก็เรียกสติกลับมา สวดมนต์บ้างพุโทโธบ้างนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในความสงบได้พอสมควรอยากเรียนถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องศึกษาขั้นตอนการเจริญภาวนาและจำเป็นต้องรู้ไหมคะว่าเราภาวนาถึงขั้นไหนเรื่องรู้ว่าอยู่ขั้นไหนหรือไม่ขั้นไหนนี่ความจริงมันรู้ของมันเองในใจมันเป็นสันทิฏฐิโก แต่มันไม่ได้รู้ชื่อของมันเท่านั้นเองเหมือนกับเวลาที่เรารับประทานอาหารเราอิ่มระดับสองชามกับระดับสามชามระดับสี่ชามนี้มันไม่มีชื่อบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ขั้นสองชามขั้นสามชามหรือขั้นสี่ชามนะงั้นไม่ต้องไปรู้ชื่อของมันไม่รู้ไม่ต้องรู้ว่าตอนนี้เป็นอัปปนาหรือไม่อัปปนาเป็นโสดาหรือไม่เป็นโสดาอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปรู้ชื่อมัน ขอให้รู้ว่าความสงบมีเพิ่มมากขึ้นนานขึ้นยาวขึ้นกิเลสตัณหาความทุกข์ความวุ่นวายใจมีน้อยลงไปน้อยลงไปอันนี้ขอให้รู้เท่านี้ก็พอสิ่งที่ให้รู้ก็คือวิธีเจริญสติวิธีเจริญสมาธิวิธีเจริญปัญญาอันนี้ต้องรู้รู้ว่าทำไงถึงจะให้เกิดสติตัวอย่างวันนี้ก็พยายามสอนบอกเรื่องของการเจริญสติกัน ทุกขั้นตอนแล้วเอาไปทำ้าไปทำแล้วก็จะได้สมาธิได้สมาธิก็บอกแล้วสมาธิที่ควรจะเป็นเป็นอย่างไรเราต้องเป็นสมาธิที่ว่างที่สงบปราศ จ, จากความคิดปรุงแต่งมีอุเบกขาสักแต่ว่ารู้อยู่อันนี้เป็นสมาธิที่ถูกต้องควรที่จะทำให้มันขยายออกไปมากๆ ม, ม, มีมากๆ ให้มีตลอดเวลาที่ตื่นขึ้นมาเลยพอมีสมาธิแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะพิจารณาปัญญาได้ก็พิจารณาใยรักพิจารณาอนิจจังอนัตตาพิจารณาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากพิจารณาให้เห็นอนิจจังอะแฮนัตตาเพื่อจะได้ละความอยากเพราะถ้าเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้พอได้มาแล้วต้องเสียไปเราจะเอามาทาไมได้ลูกมาเขาบอกให้คุณสามัน ลูกของคุณคลอดมาแล้วสามวันต้องตายคุณอยากจะมีลูกไหมใช่ไมคุณไม่เห็นความตายของลูก ค, คุณคิดว่าลูกจะอยู่กันไปจนแก่เท่า ห, หลังที่คุณตายไปแล้วแต่ถ้าเกิดเขาตายก่อนที่คุณตายคุณจะทำยังไงคุณไม่รู้แล้วมีใครมารับประกรันได้หรือเปล่าว่าเขาจะไม่ตายก่อนเด็กบางคนตายอยู่ในท้องก็มียังไม่ทออกมาจากท้องเลย เลือพอเกิดมาก็พิการแล้วจะทำไงถ้าไปเจอเด็กพิการในท้องเป็นโรคดาวมั่งเป็นโรคอะไรต่างๆโรคหัวใจลิ้นหัวใจรั่วมีโรคนานาชนิดในทารกที่ยังไม่ทันคลอดออกมาถ้าคุณพิจารณาอย่างนี้คุณก็จะไม่อยากจะมีลูกมีไปทำไมได้ลูกที่ไม่สมประกอบนี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กนันแน่นี่คือพิจารณา อันนี้จังไม่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าเด็กทุกคนจะเป็นเด็กสมบูรณ์สมประกอบแล้วใครจะมารับประกันว่าลูกของเราลูกของคุณจะสมประกอบจะดีจะงามไปทุกทุกอย่างถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะทำให้ความอยากมีลูกหายไปตัดความอยากได้ต้องเห็นอันนี้จังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นอนัตนตา การที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปบังคับไปควบคุมไปจัดการได้อันนี้ก็คือเรื่องของการเจริญปัญญาที่ต้องมีสติคอยกํากับให้คิดในแนวนี้ถ้าไม่มีสติมันก็จะคิดไปตามความหลงลูกของเราจะดีเห็นลูกคนอื่นเขาดีน่ารักเราก็ต้องมีลูกที่ดีน่ารักเหมือนของเขาอันนี้ก็คือคําตอบไม่ทราบว่าคาถามเป็นยางไงนะ คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุญจอมเกียรติศักด์นะครับการพิจารณาอาสุภะในตนเองนั้นมีวิธีการดูอย่างไรให้ง่ายบ้างไหมครับคือถ้าพิจารณ า, าสุภะของเรานี้ก็แสดงก็คือให้เราดูซากศพของเราว่าอนาคตของเรา oh. ของร่างกายเรามันจะเป็นอย่างไรทำเราพิจารณาอาสุภะของเราก็เพื่อให้เราเห็นอนาคตที่แท้จริงของร่างกายนี้ เพื่อเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับการเปลี่ยนแปลงและอาจจะเกิดขึ้นก่อนที่เราตายก็ได้เช่นแขนขาดขาขาดเป็นเอามาพึกอามภพาดหรือต้องผ่าตัดเอาเอาวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปอย่างนี้ก็เป็นการพิจารณาเพื่อให้เราเตรียมรับกับอนาคตของร่างกายถ้าเราพิจารณาอสุภะของผู้อื่นก็เรามีเป้าหมาย ที่เหมือนกันคือเราจะต้องปล่อยเขาต้องยอมรับ ว, ว่าสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเขาต้องเป็นซากศพหรือพิจารณาอีกอย่างนึ่งก็คือพิจารณาให้ให้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายอันนี้เราจะพิจารณาของบุคคลที่เรามีความหลงไหลคลั่งไคล้เช่นเราชอบดาราภาพยนตร์คนนั้นคนนี้หลงไหลคลั่งไคล้ เราต้องพิจารณาดูความไม่สวยง่ายงามของร่างกายของเขาเช่นดูอวัยวะภายในของเขาเช่นเอาไปดูการผ่าศพหรือไปดูภาพที่เขาถ่ายมาของอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายพอเราเห็นอวัยวะของคนที่เราหลงไหลข้างใครว่าสวยว่า ง, งามมันก็จะหายไปแล้วความอยากที่จะ มีเขามาเป็นของเราก็อาจจะไม่มีเราก็ไม่ต้องไปร่วมหลับนอนกับเขาเราก็อยู่คนเดียวได้ไม่รู้สึกเหงาว้าวเวแต่อย่างใดที่เหงาที่ว้าเวเพราะไปคิดถึงรูปสวยๆงามๆคิดว่าอยู่กับเขาอยู่ใกล้เขาแลาจะมีความสุขแต่พอคิดถึงส่วนที่ไม่สวยที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังของเขาก็จะทาให้ความอยากที่จะอยู่ใกล้เขาหายไป เช่นคิดถึงโครงกระดูกของเขาโครงกระดูกนี่มีมีใครไม่มีโครงกระดูกบ้างเราอยู่ใกล้กับโครงกระดูกนแล้วเกิดถ้าเขาไม่ละไม่หายใจเรายังจะอยู่ใกล้เขาได้ป่สมมติเขาตายไปวันนี้เขาเป็นแฟนเราเป็นสามีเราเราจะเก็บไว้นอนกับเขาคืนนี้ต่อไปได้ป่ามันก็ไม่เปลี่ยนแปลงตรงไหนร่างกายก็ยังอันเดิมอยู่เพียงแต่ตอนนี้ไม่ได้หายใจท่านเอง เราลองคิดอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้ทำลายความกำหนัดยินดีความอยากจะเสกการมกับเขานี่ก็เป็นการพิจารณาสุภาอีกแบบหนึ่งัน้นการพิจารณาสุภานี่ก็มีสองแบบสองเป้าหมายก็คือเนี่ยการทำลายการมัตตัญหาการมาราคากับการทำลายความกลัวตายการกลัวความอัออปลักษณ์ของร่างกาย รูปร่างหน้าตาของเราลกลัวร่างกายเราจะเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นอะไรขึ้นมาก็ทุกข์ไปกับมันลนะแต่ถ้าไปคิดถึงแล้วเวลาเราตายมันมันจะสวยงามขนาดไหนร่างกายถ้าคิดอย่างนี้แล้วพอมีสิวมีฝ้าก็จะไม่เดือดร้อนเนาะเป็นแค่นี้เองต่อไปมันจะต้องเป็นมากกว่านี้ต่อไปมันจะต้องผุต้องพองไปดูคนที่ตายสามวันขึ้นอื่นดูเป็นยังไงนะ นี่ละคืออนาคตของร่างกายที่จะต้องเป็นพิจารณายิ่งแล้วจะทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านกับเรื่องราวของร่างกายอาจารย์ครับขอแทรกคำถามส่วนตัวครับวัตถุมงคลต่างๆที่คนให้มาหรือที่มีเก็บอยู่ครับถ้าเราไม่สละออกเราทิ้งได้ไหมครับก็ใครไปห้ามเราไม่ให้ทิ้ง คำถามข้อต่อไปจะคุณใบโพนะครับดิฉันขอแนวการปฏิบัติในการวางจิตอย่างไรถ้าในขณะที่เรานั่งสมาธิสามีจะใช้โอกาสนี้คุยโทรศัพท์กับกิ๊กซึ่งเขาจะไม่ทราบว่าเรารู้ดิฉันจะไม่พูดเพราะถ้าพูดก็ไม่รับทะเลาะกันดิฉันพยายามเจริญเมตตาและให้อภัยก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างเจ้าค่ะ ดิฉันกราบขอเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยกัลยาณ์แนะนําวิธีการวางจิตอย่างไรเพื่อจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติก็ต้องอย่าไปสนใจให้เราสนใจอยู่การเจริญสติเช่นเวลาเรานั่งสมาธิเราพุทโธก็พุทโธไปเขาจะคุยกับใครก็เรื่องของเขาไปขอให้ใจเราเข้าสู่อุเบิขาให้ได้พอเข้าสู่อุเบิขาได้แล้วเราก็จะเฉยได้ ไม่ ว, ว่าเขาจะทําอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรเวลาใดแหรือจะใช้ปัญญาแต่ถ้าไม่มีสมาธิใช้ปัญญาก็ไม่มีกําลังต้องมีสมาธิก่อนมีอุเบกขาก่อนพอมีอุเบกขาแล้วก็พิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ไม่ได้ไปห้ามไม่ให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ไม่ได้เขาอยากจะทําอะไรถ้าเขา เขาทําต่อหน้าเราไม่ได้เขาก็ไปทําลับหลังเราอยู่เราอยู่ดีนั้นเราต้องพิจารณาว่าเขาไม่ใช่เป็นสมบัติของเราเราอย่าไปเป็นเจ้าของเขาปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าเราเห็นเขาเป็นหน้าตาเราก็จะได้ยากกว่าเขาได้เลอกกว่าเขาได้แล้วเราก็จะสบายใจแต่ถ้าเรายังถือว่าเป็นสมบัติของเราอยู่เราก็จะทุกข์ใจก็าจะอยากให้เขาเป็นของเราเพียงคนเดียว ไม่ให้ไปเป็นของคนอื่นด้วยอันนี้ก็เป็นกิเลสเป็นตัญหาเป็นความหลงที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเราต้องการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์เราก็ต้องตัดเขาให้ได้ต้องพิจารณาเขาว่าเป็นอนิจจังอนัตตาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันขณะที่อยู่ด้วยกันก็ไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันได้เขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขา คำถามข้อต่อไปจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับจากคุณปียะนะครับข้อวัดปฏิบัติในการบินทบาทที่พ่อแม่ครูอาจารย์พาดำเนินมานี้จําเป็นไหมครับที่ต้องรักษาไว้เวลาเห็นครูอาจารย์ท่านดำเนินอยู่มองดูแล้วก็ชื่นใจแต่ก็มีวัดบางที่บางแห่งเวลาขาไปบินทบาทก็เดินไปแต่ขากลับโยมเขานิ ม, มนต์ขึ้นรถ ท่านก็รับนิมนต์เขาโดยให้เหตุผลว่าเขาอยากได้บุญเราก็อนุเคราะห์เขาแบบนี้ผมเกรงว่าปฏิปทาที่งดงามจะหายไปขอหลวงปู่เมตตาชี้แนะข้อวัดนี้ด้วยครับไม่มีเจตนาจะล่วงเกินแต่ประการใดเพียงแค่อยากทราบชัดถึงสิ่งที่ควรเอกิจวัดการบินธบานี้เป็นกิจวัตรที่มีมาตั้งแต่พ่อพุทธการ มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงพาดำเนินพระพุทธเจ้าทรงถือภารกิจการบินาบาตนี้เป็นเกจวัตรที่สำคัญที่รวมอยู่ในหนึ่งของพุทธกิจหพระพุทธเจ้ามีพุทธกิจอยู่5ประการในแต่ละวันสีข้อนี้เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนสัตว์โลกเช่นตอนบ่ายสอนคารวะ ญ, ญาติโยมตอนค่ำสอนพระภิกษุสา ม, มนเณรตอนดึกสอนเทวดา และตอนเช้าก่อนจะส่งออกบินทบาดก็ส่งเลงยานว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นแล้วก็ส่งออกบินทบาตเนี่ยคือพระพุทธเจ้าถึงแม้หลังจากได้ตัดสรู้แล้วก็ยังไม่ละภารกิจที่สำคัญคือการเลี้ยงชีพของตนด้วยตนเองด้วยการบินทบาดเพราะว่าเป็นการเลี้ยงชีพที่เหมาะสมกับเพศของนักบวช แล้วทรงให้ความสําคัญไว้ในการสั่งสอนผู้ที่มาบวชใหม่ผู้ที่มาบวชใหม่นี้พระพุทธเจ้าทรงบังคับให้อุปชัยยะต้องสอนกิจที่พึงกระทําอยู่สี่ข้อด้วยกันคือถ้ามาเป็นผ้าแล้วต้องทํากิจทั้งสข้อนี้ให้ได้คือหนึ่งบิณฑบาตเป็นวัดสองถือผ้าบางสกุลคือใช้ผ้าคีรีวใช้เศษผ้าหาเศษผ้ามาปะมาเย็บมา ย้อมทำเป็นจีวรแล้วก็อยู่โคนไม้อยู่ตามปา่าตามเขาแล้วก็ดืม่มน้าปัสสาวะเป็นยารักษาโรคถ้าไม่มียารักษาอะไรถ้าหายายไม่ได้ก็ให้ใช้น้าปัสสาวะนี้รักษาไปรักษาหายก็หายไม่หายก็ช่างมันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายนี่คือกิจที่พระภิกษุผู้บวชใหม่พึงจะรู้พึงจะปฏิบัต สี่ข้อด้วยกันต้องรู้ในวันบวชเลยพอบวชเสร็จนี่จะต้องสอนกิจสีข้อนี้หนึ่งในสี่ข้อนี้ก็คือการบิณฑบาตล้วยังทรงสอนเรื่องการบิณฑบาตเป็นวัดอยู่ในทุดงขาวัดอีกด้วยทุดงขวัดนี้มีอยู่13ข้อเป็นข้อวัดพิเศษถ้าเรียกว่าเป็นศีลก็เป็นศีลพิเศษที่ถ้าจะปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้คือไม่บังคับ ปล่อยให้เป็นไปตามศรัท ธ, ธาถ้าอยากจะไปถึงพระนิพพานเร็วก็ให้ถือทุดงขวัตถ้าไม่อยากจะไปเร็วอยากจะไปเรื่อยๆเฉยๆก็ไม่ต้องถือธูดงขวัตก็ได้เพราะคนอาจจะมีอินทรีย์ที่แต่างกันบางคนมีอินทรีย์แก่ก็มีพลังจิตสูงสามารถที่จะอยู่แบบทุกข์ยากลำบากได้บางคนอาจจะยังไม่มีอินทรีย์ แก่ก้าพอยังต้องอยู่แบบสุขอย่างสบายก็ไม่ถือข้อนี้ก็ได้ทรงสอนให้ถือการบิณทบาทเป็นวัดถ้าวันไหนไม่บินทบาทก็ถ้าผู้ถือธุดงเข้าวัดข้อนี้ถ้าวันไหนไม่บินทบาทก็วันนั้นก็ไม่ฉันถ้าจะฉันต้องบินทบาทเท่านั้นเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะจัดอาหารมาให้ก็ไม่ฉันยอมอดยอมรอให้หายก่อนแล้วออกไปบินทบาทแล้วค่อยฉัน แล้วเรื่องการบินนบาตก็สมัยก่อนก็ต้องเดินไปเดินกับแต่สมัยนี้ก็มีรถยนต์บางแห่งมันมีความจําเป็นจะต้องนั่งรถยนต์ไปก็นั่งไปได้ถ้ามีเหตุผลที่มันสมควรที่จะนั่งเช่นที่วัดยานี้อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านที่จะไปบิณฑบาตถ้าเดินก็จะต้องใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าจะถึงเดินไปกลับก็สี่ชั่วโมงมันก็ไม่ทันการทางวัดก็เลยจัดรถ ให้ไปนั่งไปถึงถึงหมู่บ้านแล้วจากลงจากรถแล้วก็เดินบินทบาทพอเดินบินทบาทเสร็จก็นั่งรถกลับถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ยังถือว่ายังทำภารกิจของการบินทบาทอยู่หลองปู่มั่นนี่ท่านก็พยายามบินทบาทตลอดจนกระทั่งท่านป่วยพอท่านเริ่มป่วย ท่านเดินไปถึงหมู่บ้านไม่ไหวท่านก็เดินไปครึ่งทางชาวบ้านก็เดินมาครึ่งทางมาพบกันครึ่งทางมาใส่บาทแล้วพอป่วยมากขึ้นชรามากขึ้นเดินไปครึ่งทางไม่ได้ก็บินบาต ท, ที่ศาลาชาวบ้านก็มาใส่บาทที่ศาลาจนท่านไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ท่านถึงเลิกบินทบาทการทำอย่างนี้ของครูบาอาจารย์ ท, ทั้งที่ท่านไม่ต้องทำก็ได้เพราะท่าน ไม่ท่านเสร็จภารกิจของท่านแล้วแต่ที่ทําก็เพื่อที่จะเป็นการสั่งสอนพระโบวชใหม่ผู้ที่มาทีหลังเพราะพระมักจะมองครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างถ้าครูบาอาจารย์ไม่บินทบาตเขาก็จะไม่อยากจะบินทบาติตามแต่ถ้าท่านพยายามตะเกียกตะกายบินทบาทเขาก็ยังจะต้องทําต่อไปเพราะเขาจะดูว่าขนาดท่านแจกขนาดนี้ท่านยังพยายาม แล้วเราเป็นหนุ่มแน่นอย่างนี้มีกําลังวังชาแล้วเราไม่มาบินทบาททาไมนะเพราะการบินทบาตินี้มีอ น, นิสงส์หลายประการด้วยกัน 1. เป็นการเสริมสร้างความเพียรนะทําให้มีความขยันเหมือนเพียรในการที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิสอเสริมสร้างความมากน้อยสันโดษนะยินดีตามมีตามเกิดเสริมสร้างความมากน้อยก็คือได้ไม่ต้องการมากของได้อย่างมากก็แค่ใส่บาทเท่านั้นเอง อันนี้แหละเ ป, เป็นคุณธรรมที่สำคัญต่อการดำรงเป็นส ม, มณะเพศอยู่ต้องมีความมากน้อยมีความสันโดษและมีความขยันหมั่นเพียรถ้าไม่มีแล้วกิเลสมันจะลุ่มเล้าและอาจจะทนอยู่เป็นภาต่อไปไม่ได้พระภิสูจบนเขาเนี่ยครับพระอาจารย์ส่วนมากวันไหนถ้าท่านไม่เดินปิณฑบาตกันวันนั้นท่านก็จะอดอาหารใช่ไหมครับพระอาจารย์ ก็แล้วแต่กรณีบางท่านก็ตั้งใจอดก็มีบางท่านเจ็บ่ข้ได้ป่วยก็มีคำถามข้อต่อไปจากคุณหน่อยอัชลานะครับขณะที่ภาวนาบริกรรมพุทโธอยู่เกิดสรงจิตออกไปคิดถึงเรื่องอื่นข้างนอกก็เลยทําความรู้สึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่เคารพกราบไหว้เราก็หมอบกราบพระพุทธเจ้าทุกวันพุทโธเป็นที่พึ่ง เมื่อคิดเช่นนี้แล้วรู้สึกว่าจะภาวนาพุโทโธได้นานขึ้นและใจก็อยู่กับพุโทโธการปฏิบัติเช่นนี้ใช้ได้ไหมคะขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะวิธีปฏิบัติด้วยได้ <c oughs> คือผลที่เราต้องการก็คือการมีสติมีการจเจริญพุโทโธอย่างต่อเนื่องเราทําวิธีไหนก็ได้ที่ทําให้เราสามารถจเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องก็ใช้ได้ อุบาวิธีของแต่ละคนนี่ก็คงจะต่างกันไปบางคนก็ใช้การนับบ้างก็มีพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองไปก็มีคือไม่จําเป็นจะต้องเป็นพุโทโธอย่างเดียวมีการจับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างก็ได้แต่เพียงขอให้เป็นอารมณ์เดียวไม่ให้คิดปรุงแต่งเช่นเบื่อพุโทโธจะเอาธรรมโมบ้างก็ได้สังโคบ้างก็ได้นับหนึ่งสอสาไปบ้างก็ได้หรือดูท้องอาการ32บไปบ้างก็ได้ อะไรก็ได้ที่จะทำให้ใจไม่ต้องไปคิดเรื่องราวต่างๆเท่านั้นเองคำถามข้อต่อไปจากคุณสาวกอนนะครับภาวนาบริกรรมพุทโธไปพร้อมกับฟังธรรมระยะหนึ่งพุทโธหายจิตจดจ่ออยู่กับธรรมจนจบเหตุใดบางครั้งจิตน้อมรวมสงบดีมากบางครั้งจิตวอกแวก ต้องบังคับกว่าจะลงได้หรือไม่ลงเลยแต่ก็ฟังจนจบพระอาจารย์เมตตาแนะนำด้วยเจ้าค่ะใจิตใจของคนเราก็มันก็มีขึ้นมีลงบางวันก็วุ่นวายบางวันก็ไม่วุ่นวายขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆที่มามากระทบบางวันมีเหตุการณ์มากระทบรุนแรงเวลาจะนั่งฟังธรรมก็ฟังไม่ได้เพราะความวุ่นวายมันยังค้างค้างอยู่ภายในใจอยู่ บางวันก็ไม่มีเรื่องราวมากมายอะไรใจก็เลยไม่ค่อยวุ่นวายเวลาฟังธรรมก็สงบง่ายดังนั้นก็อย่าไป อ, าอย่าไปกังวลต้องพิจารณาตามความเป็นจริงถ้าวันนี้มันไม่สงบ ก, ก็ไม่สงบ อ, อย่าไปอยากยิ่งอยากมันก็ยิ่งเครียดยิ่งทุกข์ไปเปล่าๆก็พยายามเจริญสติเวลาฟังธรรมก็ตั้งใจฟังไปสงบบ้างไม่สงบบ้างก็สุดแท้แต่ ที่ไม่สงบก็เพราะบางทีเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ยังแวบเข้ามาอยู่มันก็เลยทาให้ไม่สงบแต่ถ้าฟังแล้วไม่มีเรื่องราวเข้ามาลบควรใจมันก็จะสงบได้แต่กาเวลาฟังธรรมนี้ไม่จำเป็นจะต้องบริกรรมพุทโธควรจะใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนเพราะเราถ้าเราใช้พุทโธแล้วเราฟังเสียงธรรมด้วยมันจะมาชนกันและมันอาจจะทาให้ไม่สงบดังนั้น ถ้าจะฟังธรรมก็ไม่ต้องใช้พุโทโธฟังเอาเสียงธรรมนี้เป็นพุโทโธแทนถ้าใช้เสียงธรรมกล่อมใจใจก็จะสงบได้หรือถ้าเราพิจารณาเหตุผลตามเหตุตามผลที่สแสดงไว้เราก็จะได้ปัญญาพอเราเข้าใจปับ๊บเราก็จะหายความสงสัยได้เข้าใจทำใจให้สงบได้ทาใจให้ฉลาดได้นั้นการฟังธรรมก็ฟังได้สองลักษณะ ฟังเพื่อให้ใจสงบก็คือจดจ่ออยู่กับเสียงโดยที่ไม่ต้องพิจารณาตามถ้าต้องการฟังเพื่อเกิดปัญญาเปิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นที่ถูกต้องระงับดับความสงสัยได้ระงับดับความทุกข์ร ะ, ะดับดับตัดปัญหาต่างๆได้ก็ต้องใช้ด้วยฟังด้วยการพิจารณาไปฟังไปแล้วก็พิจารณาตามพอเกิดความเข้าใจออวิธีแก้ปัญหาแก้อย่างนี้นะ ต้องตัดที่ตรงนี้ต้องละที่ตรงนี้ต้องเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนั้นถึงจะตัดได้ละได้พอฟังแล้วเข้าใจก็เอาไปทำได้แล้วก็จะแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ได้คำถามข้อต่อไปจะคุณปิยะนะครับถ้าในสํานักปฏิบัตินั้นมีข้อวัดที่ดำเนินต่างจากข้อวัดของหลวงปู่มั่นเดิมแต่สถานที่ที่นั้นเป็นสถานที่สงบสงัด วิเวกดีมากเวลาเรามีโอกาสได้ออกปฏิบัติจริงๆจังๆแล้วเราไปปฏิบัติคนละแบบกับที่วัดนั้นทำกันมันจะไม่เป็นแกะดำหรือครับคือว่าผมฟังปฏิปทาของหลวงปู่มั่นแล้วมีความชื่นชอบมากพร้อมกับพิจารณาไปตามเห็นว่ามีเหตุมีผลที่ลงใจได้ทางที่ได้เห็นได้ยิน ได้ฟังจากหลวงตาท่านพาดำเนินมาด้วยตอนนี้ถ้าจะว่าติดทางดำเนินก็ยอมรับเพราะว่าผมเห็นว่าเป็นทางที่ปลอดภัยจากท่านผู้ผ่านไปแล้วอย่างปลอดภัยก็อย่าไปว่าที่เขาปฏิบัติต่างที่เราปฏิบัตินอกจากว่าจำเป็นจริงๆเราต้องอาศัยสถานที่ที่สงบสงัดเราก็ต้อง เ, อเข้าตาลิวตาตามไป แต่ว่าอย่าให้มันมาทำลายข้อวัดปฏิบัติอันดีงามของเราก็แล้วกันขอให้เรารู้ว่าทำเฉพาะกิจทำเท่าที่จำเป็นเพื่อแลกเปลี่ยนกับสถานที่ที่เราต้องการจะปฏิบัติเช่นถ้าเราอยู่บ้านมันปฏิบัติไม่ได้แล้วมีวัดอยู่ใกล้บ้านไปปฏิบัติได้แต่เขามีภารกิจอย่างอื่นเช่นลงโบสถไวพ้พระสวดมนต์ซึ่งยังมีการคุกขี่อยู่ไม่มีการปิดวิเว ถ้าไปวัดปฏิบัติจริงๆนี่จะไม่มารวมกันสวดมวนต์ไหว้พระไม่มารวมกันนั่งสมาธิจะแยกกันปฏิบัติของใครของมันไปแต่ถ้าเราไม่มีที่ปฏิบัติเลาวมีที่อย่างนี้ต้องลงโบทบ้างก็ลงไปก็ไม่เป็นไรทําใจไว้ถ้าการประพฤติปฏิบัติไม่ได้เป็นการเสื่อมเสียถ้าเขาจะไปอยู่วันนี้แล้วเขาต้องกินข้าวเย็นกันนี้เราต้องกินกับเขาถ้าอย่างนี้ก็อย่าไป เพราะมันทำลายส่วนที่ดีของเราแต่ถ้าสิ่งที่เขาทำไม่ได้ทาลายส่วนที่ดีเพียงแต่ว่าไม่เสริมส่วนที่เราต้องการแต่ก็ไม่ทาให้เราเสียหายเราก็ทำไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับสถานที่สงบที่เราจะได้ปฏิบัติเพราะการลงบอดก็ลงเพียงชั่วไม่กี่ไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะมีเวลาที่เราจะได้ไปบำเพ็ญของเราต่อไปได้ คำถามข้อต่อไปจะคุณใบเงินนะครับดิฉันตื่นเช้าเดินจงกรมขึ้นชั่วโมงนั่งสมาธิขึ้นชั่วโมงสวดมนต์ทำวัดเช้าและกราบสามีสวดอิติปิโสให้สามีนึกในใจว่าวันหนึ่งต้องจากกันและมาฟังเทศจากนั้นก็ทำงานบ้านภาวนาพุทโธหรือสวดมนต์อิติปิโสไปด้วยบริกรรมไปด้วยก็ทาให้สงบ ไปไหนมาไหนก็บริการพุโทโธไปด้วยดิฉันทําอยู่ที่บ้านสร้างทานด้วยการไปทอดกระถินและให้ปัจจัยกับแม่อยู่เนืองเนืองดิฉันทําถูกต้องหรือไม่เจ้าคะถูกแล้วเพียงแต่ควรจะทําให้มากขึ้นทั้งนี้ถ้าเพิ่มเวลาการปฏิบัติได้มากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีจากครึ่งชั่วโมงเป็น45นาที45่นา ท, นาทีเป็นชั่วโมงและเวลากราบก็อย่ายกราบแต่สามีกราบพ่อกราบแม่ด้วย กราบพระด้วยกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กราบพ่อกราบแม่แล้วค่อยกราบสามีผู้มีผู้เป็นผู้ประทัมเลี้ยงดูเราอันนี้ก็ไม่เสียหายทำได้ถ้าก็เป็นผู้มีพระคุณกับเรากราบได้ทั้งนั้นแต่ควรจะทำเพิ่มให้มากขึ้นแล้วมีโอกาสก็ควรที่จะไปอยู่ไปเปลีกวิเวกบ้างถ้าอยากจะให้เจริญก้าวหน้าถ้าปฏิบัติแบบนี้ไปมันก็จะอยู่แค่จุดนี้ อันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นมันเหมือนกับ เ, เริ่มเรียนหนังสืออยู่ชั้นอนุบาลหรือชั้นปฐมเราต้องขยับขึ้นไปสู่ชั้นมัธยมและชั้นอุดมศึกษาตามลําดับต่อไปคําถามข้อต่อไปจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับจากคุณภาสกรนะครับข้อที่หนึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ภาวนามาอย่างต่อเนื่อง จนจิตได้รับรู้ความสงบล่มเย็นมาพอสมควรมีอยู่วันหนึ่งท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆดวงอาทิตย์สวยมากประมาณเกือบหกโมงเย็นเลยจ้องดูความงามของดวงอาทิตย์ดูอยู่เพลิ น, เ, นเกิดความรู้สึกว่าดวงอาทิตย์ที่กำลังจ้องมองอยู่นั้นไม่ได้มีดวงเดียวแต่มันกลับมีอีกหลายๆดวงค่อยๆขยับขยายวงกลมออกมาจากดวงอาทิตย์ ที่ผมกำลังจ้องมองอยู่นั้นจึงอยากให้เรียนถามพระอาจารย์ว่ามันคือปรากฏการณ์อะไรหรือขอรับทา ง, งที่ผมมองเห็นได้จากสายตาเปล่ า, าและทำไมมันจึงเห็นเป็นเช่นนั้นขอรับจิตมันปรุงแต่งไปเองครความคิดปรุงแต่งของจิตมันก็ปรุงให้ทำให้เราเห็นอะไรไดหลากหลายด้วยกันขอให้เราระมัดระวังเวลาเห็นอะไรอย่าไปหลงข้างใครกับมัน ให้พิจารณาว่ามันเป็นตายลักเสมอพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนเดิมอีกเพราะเวลาเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาและเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็จะเสียใจใหเห็นตามที่มันปรากฏให้รับรู้เวลามันผ่านไปแล้วก็ให้รู้ว่ามันผ่านไปแล้วอย่าไปย้อนอดีตอย่าไปคิดถึงมันอย่าไป คิดถึงอนาคตข้างหน้าว่ามันจะเป็นอย่างนี้ให้อยู่กับปัจจุบันเสมอข้อที่สองต่อจากนี้ผมควรปฏิบัติอย่างไรเพราะเดี๋ยวนี้เมื่อเผลอมองดวงอาทิตย์ทั้งในตอนเช้าหรือตอนเย็นทีไรก็ยังคงมองเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวอยู่ขอรับก็อย่างที่พูดไปให้รับรู้เฉยๆแล้วปล่อยวางจะเห็นอย่างไรเป็นอย่างไรก็ เห็นว่ามันเป็นไตรลักไปเท่านั้นเองคำถามมาทิตนี้หมดแล้วครับอาจารย์มีใครอยากจะถามไหมข้างบนนี้ถ้าไม่มีก็ขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญเข้าหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอ